วัดหลวงอะไรพูดกันไปพูดกันมาสรุปว่าตอบไม่ถูกคนถามต้องเฉลยเองว่าวัดหลวงตาวัดหลวงชนิดใหม่คือวัดหลวงตาเพราะเหตุที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีพระอยู่วัดรักษาพระศาสนาไปไปมามาคนแก่ๆนั่นแหละเมื่อเลิกทำงานทำการบางคนต้องการหาความสงบมีความตั้งใจดีก็มาบวช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 หลายปีมาแล้วเวลาไปต่างจังหวัดไปพบพระอายุเจ75สเจหหรือต่ำลงมาห0สบกว่าถามท่านว่าพรรษาเท่าไหร่ครับได้รับคำตอบว่าหนาึ 2, ่งพรรษาสองพรนษาแต่ก่อนนี้เราไปที่ไหนเห็นพระสูงอายุก็ต้องนึกว่าเป็นพระผู้ใหญ่บวชมานานแต่เวลานี้ญาติโยมต้องระวังต้องมองเผื่อไว้ว่า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 เวลาทำพิธีเขาก็ต้องคอยบอกท่านต้องให้โยมบอกบทหรือให้มรคนายกบอกว่าตอนนี้ให้ศีลตอนนี้สวดบทนั้นบทนี้ตอนนี้ให้ทำอย่างนั้นเพราะพระท่านบวชมาใหม่และแก่แล้วท่านทำอะไรไม่เป็นแทนที่พระจะนำโยมกลายเป็นโยมนำพระนี้คือสภาพที่เป็นจริงในเวลาปัจจุบันนี้